จเจริญในธรรมจะมีแท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิธไลศีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องสุภสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยสุภมานพบุรตรโตยยพรหมเป็นเหตุการณ์หลังจากพู้เจ้าเสด็จดับขันธปรีพานไปแล้วไม่นาน ตอนนั้นพระอนุลก็อยู่ที่ประเชศตะ ว, วันสุภาพมานุบุตรโทตยพราหมได้ส่งมนุษย์หนุ่มคนหนึ่งให้ไปเยี่ยมพระอนุน์แล้วก็พร้อมกับเรียนนิมนท์ท่านมาที่บ้านของตนพระอนุ์ท่านก็บอกว่า มันสายไปเพราะว่าท่านฉันจะ่ายไปก็จะไปได้ในวันพรุ่งนี้ลูกชาวท่านก็ไปสุภมาณพก็ได้นิมนต์ท่านก็ไปที่บ้านของตัวเองหลังจากผ่านการสนทนาปราศัยกันตามธรรมเนียม ท่านก็กราบเรียนถามพระเถระว่าพระคุณเจ้าเป็นอุปถากผู้กใกล้ชิดกับพระสมณโคโดมมานานยอยากจะทราบดีว่าพระโคโดมสรรเสริญคุณธรรมเหล่าใดจะให้ชุมชนยึดมั่นตั้งอยู่ดำรงอยู่ในคุณธรรมเหล่าใดพระนุนก็ตอบว่า พระพุทมีาภาคจะสรรเสริญขันสามให้ชุมชนยึดมั่นตั้งอยู่ดำรงอยู่ในขันสามนี้คำว่าขันนะั้นแปลว่ากองก็ได้พวกก็ได้กลุ่มก็ได้บางครั้ง<บ>เราพบคำว่าขันห้ามาความว่ากองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ยังเรียกอย่างอื่นเป็นขันขัน คือเป็นกองๆองเป็นกลุ่มกุมเป็นหมวดหมดูดเป็นหมู่หมู่ในทีน่นี้พระนรนท์ก็ได้พูดถึงใส่สกขาสามประการคือศีละขันนั้นประเสรฐิฐสมาธิขันประเสรฐิฐและปัญญาขันนั้นประเสริฐพระผู้มีพระพภาคเจ้าทรงสรรเสริญขันทั้งสาประการนี้เพื่อให้ประชาชน ยึดมั่นตั้งอยู่ดำรงอยู่ในขันทั้งสามประการซึ่งก็หมายความว่าถ้าพูดถึงศีลสมาธิปัญญาแล้วก็จบคำสอนแล้วเพราะคำสอนที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติจริงๆก็รสรุปแล้วก็เป็นศีลสมาธิปัญญาเพื่อจะแก้กิเลสสามกองคือโลกุตรหลงโดยภาพรวมๆนั้นศีลก็เน้นไปที่โลก สมาธิก็เน้นไปที่โกรธปัญญาก็เน้นไปที่หลงแต่ว่าในพระสนามจริงๆก็ไปด้วยกันนั่นแหละคือหมายความว่าในศีลนั่นเองโลภมันลดลงเด่นชัดโกรธก็ลดลงหลมก็ลดลงพอถึงสมาธิาโลภมันก็ลดลงกว่าเดิมโกรธก็ลดลงกว่าเดิมหลมก็ลดลงกว่าเดิม พอศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ก็ลดหมดก็ เ, เรียกว่าลดอย่างสมบูรณ์จากนั้นท่านก็ถามว่าพระโคโดมได้ดสั์สรรเสริญสีลักษณนั้นประเสริฐให้ชุมชนยึดมั่นตั้งอยู่ดำรงอยู่ได้อย่างไรประนวนก็เท้าความ ถาความอย่างพระสูตรที่เราได้พูดมาแล้วในตอนต้นๆก็คือพระมัชาย์และสูตสามัญญผลสูตรอัมพัทสุหมายความมาเริ่มต้นจากการสันเสริญพระพุทธคุณเป็นการแ ส, แสดงถึงการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าก่อนประกอบจะเป็นศีลสมาธิปัญญามันก็ต้องปรากฏที่พระพุทธเจ้าเสียก่อน ปุจจ ա าทรงสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาจะเป็นเหตุให้ศัตรูพอศัสรูแล้วก็นำธรรมะเราท่านมาแสดงเผยแเรยชี้แจงแสดงแก่โลกถึงว่ากรอบของธรรมะก็อยู่ในกรอบของอริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการแต่ ว, ว่าในภาคของการปฏิบัติจริงๆนั้นก็เน้นไปที่อริยมรรคั้งแป8ประการ เมื่อบุคคลได้ปฏิบัติไปตามอริมกักอองแประการสมุทัยก็ลดลงทุกข์ก็ลดลงนิโรธก็เพิ่มขึ้นพออริมักแ8ประการสมบูรณ์ก็จะเกิดญาณผุดขึ้นจะนันทใจก็จะหลุดพ้นจากกิเลสด้วยประการทั้งปวงก็หมายความว่าศีลสมาธิปัญญาก็สมบูรณ์ ทุกก็หมดไปอย่างสมบูรณ์สุโขทัยก็ดับไปอย่างสิ้นเชิงนี่รถก็สมบูรณ์ขึ้นเต็มเปี่ยมเต็มเปี่ยมภายในจิตใจของท่านเหล่านั้นก็หมายความมันจุดหมายปลายทางก็อยู่ที่นั้นเพอนังก็แสดงตัวอย่างหลังจากพูดถึงพระพุทธคุณทั้ง9้าประการอย่างที่เราคุ้คุ้นกันอยู่เนี่ย จักนั้นถ้าก็แสดงว่าประตาฐาคตรพระองค์นั้นทรงถามโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกให้แจมแจ้งด้วยปัญญาอันยอดเยี่ยมของพระองค์เองแล้วคือว่าโลกในหมู่มูสัตว์เนี่ยเราก็เรียกว่าอบายโลกมนุษย์ยโลกเทวโลก พรหมโลกนั่นก็หมายถึงว่าเป็นที่อยู่ของสัตว์ที่แตกต่างกันด้วยปริมาณของกิเลสและปริมาณของความทุกข์รวมถึงปริมาณของธรรมะด้วยนั่นแหละหมายความถ้ากิเลสมากธรรมะ ก, ก็น้อยถ้ากิเลสน้อยธรรมะ ก, ก็มากพอันไปขึ้นสูงไปเท่าไหร่ภูมิจิตมันสูงเท่าไหร่เนี่ยปริมาณกิเลสมันก็ลดลงลดลงลดล ง, ดลง ปริมาณก็ทำมากก็สูงขึ้นสูงขึ้นพบที่ท่านอุบัติก็จะประนีตขึ้นในที่นี้ท่านพูดก็เน้นไปที่มนุษย์แลีวก็เทวโลกมารโลกพรหมโลกก็แสดงว่ามาร ก, ก็มีโลกส่วนลัวของเขาเหมือนกัน พระรูปเจ้าทรงแสดงทำมันงามในเบื้องต้นงามในทำกลางงามในที่สุดนี้เราก็จะเจอบ่อยอันดีกาลยานางมาเชกัาลยานางปริโยซาันะกาลยานางสัททั ง, ส, งสัพยัญชนะงเกวละปริพุนนางปริสุทธังพระมจริยังประกาศเสสิเราก็สวดมนต์ธรรมเช้านะฮะแต่คำว่า ง, งามในเบื้องต้นก็หมายความว่างานด้วยกองของศีละขัน ธรมกลางก็กองของสมาธิขันรายก็ปัญญาขันแต่ก็พูดได้ทุกระดับแหละหมายความว่างามในเบื้องต้นเพราะบทด้างงามในทางกลางเพราะบทขยายงามในที่สุดด้วยบทสรุปก็เรียกว่าอุเทศดิเทศปฏินิเทศ เปลนข้อความบางทีมันเป็นข้อความสั้นๆแต่ว่ามันแสดงความสมบูรณ์พร้อมเมื่อลงมือประพฤติปฏิบัติเช่นมหิริโอตตปะเป็นธรรมะฝ่ายกุศลและธรรมใครก็ตามที่ทำตัวเองให้สมบูรณ์ด้วยหิริโอตตปะ เทวดาทั้งหลายเรียกบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นสัตบุรุษอาความหิริอตตปะมันก็ต้องมีเจตนาในการสำรวมระวังจิตแล้วจิตก็สงบเย็นผ่องใสมีการไม่คิดบาปไม่พูดบาปไม่ทำบาปเป็นอาการที่ปรากฏให้เราเห็น ชีวิตข้องกหล่านั้นก็งดงามแล้วก็ทรงประกาศพรหมจรรย์คือหลักการในการประพฤติปฏิบัติสรุปแล้วก็คือกรอบใหญ่ของเขาก็อยู่ที่การละชั่วประพฤติดีมีการพูดตั้งแต่เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องการปรพฤติตนอด น, น้อมถ่อมตนระบุ ค, คลทั้งหลายกัน ช่วยเหลือควรขวายกันในกิจการงานที่ชอบการเจริญพรหมิหารก็การรักษาศีลแปดก็ไปเรื่อยไปนะฮะอริมักดวงแปดประการจนถึงกับการปฏิบัติัตามหลักของาศาสนาธรรมทั้งปวงก็เรียกว่ า, าศาสนาพรมจัน์หมายความมาจะกํำหนดรู้ทุกข์ก็ได้ละสมุทัยก็ได้ทำให้แจ้งนิโรธก็ได้ จเจริญ ม, มากก็ได้มันก็อยู่ในกรอบของคําัาสนาพระม a รย์แล้วก็พระม a j a ์เหล่านี้แต่ละข้อเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยหนุนช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนการใครจะเริ่มต้นไหนก่อนก็ได้ไม่ว่ากันประข้อสําคัญในหลักของการปฏิบัติว่าการปฏิบัติอย่างไรก็ตาม ที่กิเลสซึ่งเกิดขึ้นแล้วได้เสื่อมไปกิเลสที่ยังไม่เกิดจะไม่เกิดขึ้นธรรมะที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วจะเพิ่มผูดมากยิ่งขึ้นก็ถูกทั้งนั้นแหละต่ผลมันออกมาในลักษณะอย่างนั้นก็ถูกทั้งนั้นฟันติงบอกว่า บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะคือเนื้อหาของเรื่องนั้นนั้นและพยัญชนะคือคำที่สะท้อนเนื้อหานั้นนั้นทีนี้บุคคลทั้งหลายในสกุลใดสกุลหนึ่งก็ได้ฟังธรรมการฟังแล้วก็เกิดศรัทธาขึ้นในพระตถามกฎเกณฑ ขันเปี่ยมได้สัท ธ, ธาก็เห็นสนักว่าการอยู่คลองเรือนขับแคบเป็นทางมาของธุรีบรรประชาเป็นทางปลอดโปร่งยกตัวอย่างกลุ่มคนที่เราคุ้นๆเนี่ยเช่นพวกพัตตะวคีสามสิบท่านที่พบพระพุทธเจ้าในระหว่างทางที่ท่านเที่ยวติดตามหาผู้หญิงซึ่งขโมยเครื่องประดับไปนั้น ท่านเองก็ยังไม่ได้ใส่ใจสนใจในเรื่องการปฏิบัติพรหมจรรย์อะไรเพราะว่าสนใจในเรื่องความสนุสนานการเที่ยวเล่นเพลิดเพลินกันอยู่แต่เมื่อผู้หญิงขงโมยเครื่องประดับไปก็ติดตามเพื่อจะเอาเครื่องประดับคืนอออก็มาพบพระพุทธเจ้า ถามว่าพระมหาสมณะพระองค์ทรงเห็นผู้หญิงผ่านมาทานนี้บ้างไหมผู้จารับสั่งถามบ่าเธอจะหาตนเองดีกว่าหรือจะหาผู้หญิงดีกว่าเขื่อให้คิดเอาการพูดต่อไปก็จะพูดเรื่องผู้หญิงหรือว่าพูดเรื่องพระบงหาตนท่านเหล่านั้นเกิดสนใจเพราะว่าไม่เคยเสยเหลียวใจคิดมาก่อน ก็มัวแต่ไปสแสวงหาคนอื่นสแสวงหาโทษคนอื่นมนุษย์มันก็เป็นอย่างนี้ไงคือตามปกติแล้วเ ร, เราก็ไม่ค่อยมองโทษของเราก็ไปมองสแสวงหาโทษของบุคคลอื่นกล่ราวร้ายป้ายสีใส่สีตีไข่เพิ่มเติมขึ้นไปจริงปุนเท็ดเท็ปุ่นจิงบางทีก็เท็ดล้วนก็มีนี อันนคือธรรมชาติย่างแต่เดของมนุษย์เผลอเมื่อพระเจ้ากระตุกอย่างแรงอาจจะคิดว่าจะสแสวงหาตนหรือว่าสแสวงหาผู้หญิงดีมันก็ต้องเลือกก็าอย่างนี่นสแสดงว่าคนที่ไม่มีบารมีก็อาจจะรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าไม่ตอบคำถามแต่คนมีบารมีนี่เขาไม่คิดอะ มันกลาเป็นประเด็นใหม่ที่ทรงจุดขึ้นมากระตุ้นจิตสำนึกที่ดีงามแต่ท่านก็บอกว่าจะสแสวงหาตนดีกว่าก็เลิกสนใจผู้หญิงเราเห็นว่ามันตัดความกังวลความเสียดายเครื่องประดับต่างๆที่มันหายไปก็คกอสนใจในตัวเองผู้เจ้าก็ทรงแสดงธรรมะให้ฟัง ก็คือหลักของอนุพิกถาและอริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการที่เราก็ผ่านผ่านตาบ่อยๆผ่านหูบ่อยๆเพราะว่ามันเป็นก็เรียกว่าสัมภ ULAR าศาสนีคือเป็นธรรมเทศนาที่ทรงแสดงมากปรากฏอยู่ในที่ต่างๆเยอะเพะเมื่อปรากฏในที่คนละที่กันเนี่ย ก็ตำน อ, องใกล้ๆกับมีการบรรยายที่นราธิวาสเรื่องอนุบุพิกถาอริยสัจ4ไปบรรยายที่เชียงใหม่ไปบรรยายที่อเมริกาไปบรรยายที่อังกฤษอะไรก็ เ, เหมือนกันน่นะอนุพิกถาอริยสัจสีก็คืออย่างนั้นแนหะนข้อความก็คือเป็นการแสดงเรื่องฐานเป็นการแสดงเรื่องศีลเป็นการแสดงเรื่องสวนค ในการแสดงเรื่องโทษของกามและออนิสงส์ที่ออกไปจากกามได้หมายความว่ากายก็ออกไปจากวัตถุกรมใจก็ออกไปจากกิเลสกามวัตถุกรรมก็คือสิ่งที่จิตกาหนดว่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาน่าพอใจกิเลสกามก็คือโลภะราคะต่างๆเป็นต้น แล้วในขณะที่เรามีความรักเนี่ยเราเห็นว่ามีความโกรธแฝงอยู่มีความกำหนัดมันก็มีความโกรธแฝงอยู่แสดงว่ากิเลสเนี่ยมันพร้อมจะปรากฏตัวตามการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของบุคคลดังนั้นเมื่อทรงแสดงไปถึงจุดนี้ ก็ต้องการทางที่ถึงซึ้งกว่านั้นแล้วพระเจ้าก็ทรงแสดงหลักของอริยสัจสี่ประกาศในสตรท่านพัตตบกีก็ลืมหมดละเรื่องทรัพย์สมบัติที่ผู้หญิงขโมยไปคนทั้งสามสิบคนนะฮะเครื่องประดับมาเลยเป็นเยอะพวกนี้ไปลงอาบน้ำในแม่น้ำแล้วก็ถอดเครื่องประดับกองเอาไว้ ผู้หญิงได้จังหวะก็เลยเข้ามวยไปก็คงหนักไม่เบาอะในสุดท่านก็ไม่ได้ใส่ใจสนใจแล้วเพราะอะไรเพราะมันพวกเหล่า น, นั้นมันเพียงเพียงวัตถุ ก, การมท่านเองเป็นสมบัติที่ผลัดกันครอบครองท่านั้นในสูดก็ตัดสินใจออกบวชทิ้งทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปกลับบ้านแล้ว เอาบวชก็ส่งพัญญากลับบ้านตัวตัวเองก็ออกบวชหมดพัญญาทั้งสามสิบคนนั้นต่อมาเป็นอย่างไรนี้ไม่เคยพบหลักฐานแต่อย่างน้อยก็ได้เพาะเชือ้อความสนใจความใส่ใจในธรรมะเอาไว้ภายในใจิตใจท่านเหล่านั้น การต่อมาอย่างน้อยก็คงจะเป็นอุบาสิกาแหละเพราะโอกาสฟังธรรมในยุคแรกๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าพอฟังธรรมพอฟังแล้วก็ได้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาขั้นเปี่ยมรู้ศรัทธาแล้วย่อมเห็นสนักว่าการอยู่ครองเรือนครับแคบ เป็นทางมาของทุลีคือกิเลสในขณะเดียวกันก็ถึงทางแยกว่าการบรรพชานั้นเป็นทางปลอดโปรง่งการอยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจารให้บริบูรณ์โดยส่วนเดียวให้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่ขัดดีแล้วเนี่ยทาไม่ได้ง่ายหรอกก็พูดง่ายๆว่าทาไม่ได้ะนะะแต่ครองเรือนจริงๆ แต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็เดินไปได้ถึงพระนาคามีพอ ร, ระดับสมบูรณ์ก็ทําไม่ได้ระดับที่รองลงมาเป็นพระโสดาสกิตาคานาคานี่ท่านก็ทําก็ได้แต่อย่าลืมมาตอนเป็นพระนาคานั้นครองเรือนก็เป็นนักบวชในวัดไอ้ไม่นักบวชในบ้านนะคือมายุ่งเกี่ยวในเรื่องครอบครัว ไม่จัดสรรบริหารทรัพสมบัติอะไรก็อยู่ที่คนอื่นทั้งก็อยู่ไปเป็นวันๆไปทำการส่งคลอ์ช่วยเหลือคนก็ทำแต่ว่าส่วนใหญ่เท่าที่พบเนี่ยมีฐานะดีคือเป็นเศรษฐีมีความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยทรัพย์สินคารเป็นนั้นมากเรียกว่าใช้จ่ายไม่หมดก็แล้วกันแหละ แต่ทนใหญ่แล้วมักจะบวชมากกว่าถ้าเป็นระดับพระนาคามีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับยานของท่านบารมีของท่านว่าท่านคิดยังไงท่านตัดสินใจยังไงจากนั้นท่านก็ออกบวชมองเห็นจำนแนกแยกแยะลองสังเกตว่าความคิดนี่มันมีการจาแนกแยกแยะมีการเทียบเคียง ระหว่างสิ่งสองสิ่งซึ่งสิ่งหนึ่งก็ไม่ถึงกับเลวร้ายอะไรหรอกมันอยู่ระดับมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแต่รอถึงเป็นพรหมนะฮะเป็นพรหมสมบัติอีกด้านหนึ่งก็เป็นนิพพานสมบัติคือสูงขึ้นแต่ก็เดินบนเส้นทางสายเดียวกันก็คือกิเลสแล้ลงธรรมะเพิ่มขึ้นนั่นเองแต่ล้ลงไม่หมด เพิ่มขึ้นไม่สมบูรณ์มันก็อยู่ระดับที่ลดหลั่นลงมาก็จากนั้นท่านตัดตัดสินใจออกบวชน้องผมผ้ากาศาพัสออกจากเรือนถือบวชก็ต่อมาเขาก็สละกองพวกกสสมบัติน้อยใหญ่ละหมู่ญาติไปบวชเมื่อบวชแล้วก็สำรวมระวังในประปาติโมก ปติโมกข์ก็คือบทบัญญัติที่เป็นสิขาบทที่เราเรียกว่าพระวินัยแต่พระวินัยถ้าเรานับข้อมันก็เยอะแต่ถ้าสรุปนี่มันสรุปได้สี่ข้อเท่านั้นเองก็คือสํารวมตาม บ, บทบัญญัติเว้นในข้อที่ควรเว้นประพฤตินในข้อที่ควรประพฤติเพราะว่าในวินัยมันก็มีอยู่สองสองแนว แนวหนึ่งมีลักษณะเป็นข้อห้ามซึ่งก็ต้องงดเว้นไม่ร่วงและเมิดไม่กระทาอีกแนวหนึ่งเป็นลักษณะการอนุญาตหมายความมาต้องประพฤติกระทำอย่างนั้นจึงจะมีผลอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ พอต่อไปก็คืออินทรีสังวรสำรวมระวังเวลาสัมผัสอารมณ์ที่ผ่านมาทางวระสาสัมผัสของเราผูด ง, ง่ายว่าระวังใจอย่าให้กำหนัดซึ่งเป็นทางมาแห่งราคะโลภะระวังใจอย่าให้ขัดเคืองซึ่งเป็นแรงดันของกิเลสประเภทโทสะระวังใจอย่าให้หลงซึ่งก็เป็นอาการของกิเลสประเภทโมกะ ระวังใจอย่าให้ประมาทมัวเมาคือระวังใจอย่าให้ขาดสติกินเนื้อที่ได้เยอะแล้วนะคือสี่ข้อเนี่ยตรง น, นี้มีลักษณะเป็นธรรมะคือหมายความรรมาถ้าศิขบทตรมันจะเยอะมากแต่พอเป็นธรรมะนี่เรียกว่าย่อลงมาไม่รู้สักกี่เท่าและธรรมะเหล่านี้พอมาถึงจุดหนึ่งคือพวกนี้นกึง่งศีลกึ่งธรรม พอสองข้อแรกมันเป็นศีลพอข้ออีกสองข้อหลังเนี่ยมันเป็นธรรมะก็คือเลี้ยงชีพในทางที่ชอบพวกนี้ก็กึง่งศีลกึ่งธรรมอยู่นะครัหมายความส่วนหนึ่งก็เป็นศีลพอ ป, ประนีตขึ้นมันก็เป็นธรรมะแล้วก็ใช้ปัญญาพิจาณาปัจเจศอันนี้ก็กึง่งศีลกึ่งธรรม ตอนหยาบเป็นศีลตอนละเอียดก็เป็นธรรมะพอถึงจุดหนึ่งจิตมันก็จะปรับตัวเองเป็นศรัทธาเป็นสติเป็นวิริยะเป็นปัญญาเป็นธรรมะสีข้อก็หมายความว่าศีลจะกี่ข้อก็ช่างธรรมะเพียงสี่ข้อนี่ยเสามารถที่จะทำศีล ทั้งปฏิโมกข์สังวรแล้วก็ทั้งอินทรีสังวรให้สมบูรณ์ได้รวมทั้งอาชีวะปริสุธิแล้วก็พิจารณาก่อนบริโภคปจัจเจศนี่ก็เป็นการปฏิบัติกระทำให้สมบูรณ์ในศีลเป็นตามปกติแล้วเราจะเจอตัวเลขค่อนข้างจะมากๆ ในทีน่นี้ท่านก็สํารวมว่าสํารวมในประปาติโมกถึงพร้อมด้วยมัญญาตและโจรมัญญาตก็คือความประพฤติกุริยาอาการที่แสดงออกทางกายทางวาจาโจรก็คือการไปการมาการอยู่การเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆมันก็จะต้องบินิจฉัยว่าควรไม่ควรควรไม่ควรควรไม่คว ร, ไ, ควรไปเรื่อยๆคือเราจะเห็นว่า สถานที่บางแห่งคนบางคนเข้าไปเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแต่สถานที่เดียวกันนั้นคนเป็นนันมากที่เข้าไปไม่ได้เข้าไปอย่างน้อยก็ดีกว่าเสื่อมสงาราศีเป็นที่รังเกียจสงสัยระแวงของคนเป็นนันมากที่ได้ประสบพบเห็น ที่เขาเรียก่าอักขรร่จอนค่อสถานสถานที่ที่ไม่ควรไปเจนวาพระเนี่ยไปบ้านแม่ไมไปบ้านสาวแกเข้าไปในร้านสุราในบ่อนการพนันก็นในแหล่งเริงรมงทั้งหลายยุ่งอย่นั้คือเคาะเดียวก็ตายแล้ว ก็ดียนนี้เอาตัวไม่รอดแล้วนะแต่เราจะเห็นว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับชาวบ้านแต่ก็เป็นเรื่องใหญ่สำหรับพระก็ทำนองได้ค่ากับกินข้าวเย็นเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับชาวบ้านแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพระขืนไปกินข้าวเย็นข้าวแล้วก็ยุ่งทีเดียวนี่ก็เรียกว่าโคจร มัน ญ, ญาติกับโคจรคือความประพฤติแล้วก็สถานที่ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องบุคคลที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะในสถานที่เหล่านั้นมันบางชีมันก็คล้ายๆกับท้องสนามรวงเวลาเราจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลวิสาขะอาสารามาฆะ ก็สมมติสมมติเป็นเป็นวัดนะฮะเาเรียกว่าเป็นสถานที่ที่พระเข้าไปอยู่แบบวัดได้เป็นการประกาศของทางราชการแต่พอเลยเทศากาลตรงนั้นไปเราก็ไปเที่ยวยุ่งยุงไม่ได้เป็นว่าแต่เดินต้องผ่านต้องอะไรอีกเรื่องหนึ่ง ถึงกับมายความมาเดินองเดียวก็ไม่ดีแล้วก็ต้องเดินกันหลายอง์เจ่าินิาที่มึาจุฬาเนี่ยเขายังไงเขาก็ต้องเดินเนี่ยเรา เ, าเข้าไปศึกษาที่วัดประมาทวัดมหาธาตุแล้วก็เป็นที่รับรู้กันแต่ว่าโดยปกติแล้วบางเวลาในบางจังหวะบางโอกาสเราเข้าไปไม่ได้ มันเป็นอกโคจรคือสถานที่ที่ไม่ควรเข้าไปมันเป็นอาการที่เราเมียดละไมของจิตที่ฝึกปลือตัวเองมาจนเป็นจิตที่ประณีตอ่ะจิต ใ, ใจมันประณีตมีสติกากับควบคุมอิริยาบถเลยเห็นภัยในเรื่องเล็กๆน้อยๆโทษแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ย ก็เห็นหนเช่นสมมติว่าถ้าระดับพระนะไปเห็นเงินทองของชาวบ้านแล้วคิดอยากจะได้หรือมองเห็นโพิเพศตรงกันข้ามแล้วก็จิตกำหนัดเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยก็ถือว่าจิตเศร้าหมองนะ่ะ ก็ต้องเรามาระวังสำรวมจิตอย่าเกิดยินดียินร้ายในอารมณ์จนถึงก็จิตมันเป็นโดยอัตโนมัติมันมีภูมิคุ้มกันคือมีธรรมะเป็นหลักจิ ต, ตถึงจุดหนึ่งมันก็รูปก็สักแต่ว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นรสก็สักแต่ว่ารสสัมผัสต่างๆก็สักแต่ว่าสัมผัส มันก็เลยสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าสูดดมสักแต่ว่าลิ้มสักแต่ว่าจับต้องก็ไม่ปรุงคิดคิดปรุงอะไรเป็นไวแต่ในกันหนีที่มีคนประสบปัญหาเราก็เกิดกรุณาแต่โดยทั่วไปเนี่ยก็อมองคนมองสัตว์โดยเมตตาทีนี้ถ้าเรามองโดยเมตตาได้ ยังอื่นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกให้เราสังเกตว่าถ้าเรารู้สึกเมตตาในคนเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดกำหนัดในตัวคนเราไม่คิดโลภอยากได้อะไรของเขาแต่คิดถ้าเห็นเขาเดือดร้อนเราก็เกิดการุณาคิ่จะสงเคราะห์บำบัดความทุกข์ให้แก่เขาคือจิตมันเปลี่ยนโดยสภาพของจิตเอง ประการต่อไปท่านก็บอกว่าสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายหมายความว่าก็ยึดมั่นในสิกขาบททั้งหลายเนี่ยแล้วก็ศึกษาประพฤติปฏิบัติคําว่าศึกษาในที่นี้ก็คือพยายามปฏิบัติในขณะเดียวกันเราก็ทําความเข้าใจด้วยนะทําความเข้าใจด้วยว่าข้อนี้เนื้อหาสาระมันเป็นยังไง การปฏิบัติอย่างไรที่ชื่อว่าถูกต้องการปฏิบัติอย่างไรที่เชื่อว่าไม่ถูกต้องนั่นก็การมีการวิเคราะห์มีการสรวจสอบจนถึงมีกายกรรมวจิกรรมที่เป็นกุศลอันนี้พูดระดับสีนะคือการแสดงออกของกุศลและกุศลเนี่ยทางกายกับทางวาจามันก็คือออกมาทางกายกทางวาจาแต่ก็สะท้อนจากจิต มันจิตจะต้องมีความสงบแต่ก็ยังเคยเจอยังเคยบอกเสมอนะว่ามนุษย์ที่เป็นสัตว์โลกที่เข้าใจยากเพราะกิเลสภายในใจมนุษย์มันมีเจ้าเล่ห์มีมายามีเสแสงมีโ อ, โอ้อวดมีแข็งดีมีหลอกลวงมีปลอมแปลงมีปิดปร้อนอะไรสารพัดซึ่งเป็นเรื่องที่ จะต้องคิดไนิดไปนหนาอย่างที่มีข่าวเมื่อประเดือนตุลาคมที่มีข่าวว่ามีคนแก่ๆนะฮะอายุเจ็ดสิบขึ้นไปหลายท่านด้วยกันทั้งผู้หญิงผู้ชายถูกพูกโสิ 10, บสิบแปดมงกุเรียกกังเดียวกันเลย เพราะว่ามันมีภาพที่อยู่ในอะไรนะเรียกวงจรปิดตำรวจก็ติดตามสืบสวนสอบสวนก็ได้ภาพที่ต่อเนื่องกันไปต้มหลอกกองเงินไปคนบางทั้งคนทั้งสองล้านกว่าบางคนก็ล้านกว่าก็เรียกว่าคนแก่ที่เก็บสะสมเงินไว้เนี่ยคงจะหมดตัวแล้วฮานูร่าธาลุนนะ คือเรียกว่าเอากันซึ่งซึ่งหน้าเลยขึ้นไปเข้าไปในห้องเบึกเงินนิธนาขาดแสดงตัวเป็นลูกเป็นตุกเป็นตะเลยแล้วคนที่เป็นพ่อก็เซ็นให้คนที่เป็นแม่ก็เซ็นให้นะคนที่ถูกอับะโลกเป็นแม่เป็นพ่อนี่ก็เร็นให้แต่ก็ใจว่าตำรวจก็คงจะจับได้ เพราะเครื่องมือสมัยใหม่นี่มันก็ดีเหลือเกินนะคือทำให้รู้ได้ว่าใครเป็นใครแ น, นอาการของศีลที่แสดงออกทางกายกับทางวาจายาพรีผามตัดสินใจยอมรับว่านั้นคือความถูกต้องดีงามไปเสมอไปเพราะอะไรเพราะว่า นันอาจจะเป็นเล่มายาเสียแซงโอด ก, ก็ได้แต่ว่าอย่างระแวงจนถึงกับขาดความระวังแต่อย่าระวังจนถึงกับระแวงไปหมดมันก็เป็นการตัดสินใจคร่าวๆไปเราจะหาข้อยุติไปเลยก็คงได้ยากนั่นคือโลกของความจริงมันก็เป็นอย่างนั้น ทีนี้คนเหล่านี้ในที่สุดมาก็สมบูรณ์ในอาชีพแต่ฟังลองสังเกตว่าสีนเนี่ยมันก็แสดงออกทางสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสมาชิวะซึ่งเป็นส่วนของสีลสิกขากรุมครองอินทรีในทวารทั้งหลายก็เข้าไปสู่สมาธิแล้วเข้าไปสู่สมาสมาชีก็คือสมาสติ ใจิตใจก็ประนีตไปเรื่อยๆแล้วประกอบด้วยสติสัมมชัญญะหมายความาสตินั้นก็อยู่ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมกรกอบเรานี้ก็ครอบคลุมนะคือครอบคลุมไว้ทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็เป็นผู้สันโดษยินดีตามได้ยินดีตามมียินดีตามเป็น ก็เรียกว่ายินดีตามกำลังยินดีตามที่ได้มายินดีตามเหมาะตามควรแก่คณินีนั้นจากนั้นก็พูดถึงเรื่องจุลสีลมหาสีมาจิ ม, มสีซึ่งเรื่องเหล่านี้เราก็ประสบมาแล้วในประสูตร3สามูตรแรกนะฮะ แต่ว่าอยากจะตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าศีลแต่ละข้อที่ส่งแสดงในยุลศีลเนี่ยมันเป็นาการอธิบายกระบวนการทางจิตที่มันประนีตขึ้นประนีตขึ้นประนีตขึ้นจากจุดของศีลไปถึงประนีตขึ้นมันก็เป็นธรรมะไปเพศีลเป็นบทบัญญัติมีลักษณะเหมือนกับบันไดที่เป็นขั้นข้นขั้นๆ ต่อขึ้นไปสู่ชั้นของบ้านของเรือนของปราสาทเจนข้อแรกเนี่ยงแสดงว่าพิกูุในธรรมวินินัย น, นี้ละเว้นการคาดสัตว์เว้นขาดจากการคาดสัตว์วางไม้วางมีดไอันี้ก็คือสำรวมระวังชั้นศีล มีความละอายมีความเอ็นดูมีความกรุณาอันนี้ก็คือธรรมะแล้วก็ทำประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงเพราะนี้เป็นศีลข้อแรกนะทีนี้ในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยถ้าศีลข้อแรกเข้าไปได้ทั้งเจ็ดขั้นอย่างนี้ได้เราจะเห็นว่าศีลข้ออื่นมันเข้าไปเองไง ประจิตมันประนีดมากจนไม่คิดที่จะทำชั่วพูดชั่วแล้วก็คิดชั่วประจิตมันประณีดคือการที่เราทำชั่วได้เนี่ยจิตเราต้งองหยาบแต่จิตไม่หยาบมันก็คิดไม่ได้คือบางครั้งบางคราวเราก็ข่องใจสงสัยถึงธารุณกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น เช่นในประเทศอิรักก็แถววันที่26ตุลาเนี่ยมีข่าบอมเกิดขึ้นก่อนหน้า น, นั้นครั้งหนึ่งวันที่26นี้อีกครั้งหนึ่งเห็นภาพแล้วน่าตกใจคือคนที่ทำข่าบอมเนี่ยก็ตายนะฮะแต่ว่ามันดึงคนอื่นตายไปตั้ง150 ห้าสบิบศพลูกเมียเขาอยู่ยังไงญาติพี่น้องก็อยู่ยังไงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าที่เครอบที่บ้านเขานี่เป็นยังไงบ้างความเดือดร้อนมันกระจายออกไปอย่างนึกว่าอย่างเบาๆนี่เกือบพันคนแหละคือกระทบถึงครอบครัวเราตีซะว่าครอบครัวหนึ่งมีห้าคน ก็น่าคิดแล้วแล้วก็อิรักเนี่ยก็เป็นอิสลามนะฮตามปกติแล้วก็จะมีลูกมากประการที่หัวหน้าครอบครัวหรือคนในครอบครัวคนหนึ่งถูก ท, ทำลายไปเนี่ยคนอีกจำนวนมากเนี่ยแกเดือดร้อนประการกระทํางเหล่านั้นเราฟางังแล้วเราก็ตกใจเอ๊ะเขาคิดได้ยังไงจึงทำอย่างนั้น เราก็นึกไม่ออกนะว่าเขาคิดยังไงอะ่ะมันปัญหาพื้นฐานความเข้าใจเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตนี่เป็นเรื่องใหญ่การกระทำอย่างนี้ถ้าเราจับประเด็นว่าคนเรามีการเป็นขอ ง, ของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกาเนิดมีกรรมเป็นผ่าพันมีกรมกรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามเขาจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นก็แสดงว่าเราก็ตาม เมื่อเราทํากรรมแล้วกรรมชั่วแล้วเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเราก็จะไม่กระทำเพราะอะไรเพราะว่าจิตเรามันเป็นระดับเดินไปจนถึงอนุเคราะห์ต่อสัตว์โลกแล้วพอนีเคราะห์ต่อสัตว์โลกนั้นมันไม่จำแนกเป็นชาติศา ส, สนาลักษณะาทางภูมิศาสตร์ลักษณะาทางสังคมอะไรไม่แตกแยกแต่ว่าทุกชีวิตเนี่ย คือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทีนี้พอมาถึงระดับมหาศีลซึ่งมันละเอียดขึ้นมาความมาในฐานะที่เป็นบาปมันก็มีความรุนแรงน้อยลงแต่ว่าแสดงถึงพัฒนาการทางจิตที่สูงขึ้นก็ที พระนุนยกตัวอย่างที่จริงก็ ย, งยกตัวอย่างมาตามมาพระสูตรที่พระเจ้าทรงแสดงนั่นแหละว่าภิกษสูถึงพร้อมด้วยศีลอย่างนี้ย่อมไม่ประสบภัยในที่ไหนไหนเพราะเป็นผู้สํารวมด้วยศีลเหมือนพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้มุรธาพิเศษการจัดศัตรูได้แล้วย่อมไม่ประสบภัยแม้แต่ที่ไหนๆเพราะศัตรูนั้นเพราะศัตรูนั้นมันไม่มีแล้ว ดูก่อนสุภาพมานุษย์พิสูจ์พูดถึงพร้อมด้วยศีลก็ฉะนั้นย่อมไม่ปลอดภัยแต่ที่ไหนๆเพราะเป็นผู้สมบรวมด้วยศีลเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลนันประเสริฐนี้ย่อมสวยสุขอันปราศจากโทษในภายในเปรเตนี้แหละชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลหรือว่ากองศีลกัน ศีรษานา้ประเสริฐพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสรรเสริญยังชุมฉดในยึดถือตั้งอยู่ให้ดำรงอยู่และหนึ่งในธรรมวินัยยังมีกิจที่ต้องทำม้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกก็หมายความว่าศีนั้นเป็นพื้นฐานเบื้องต้นแต่บัณเออถ้าเราดูพฤติกรรมแล้วก็ประนีตมากปัญหาใหญ่ในสังคมเราเนี่ย้กรมโลกนะครับไม่ใช่สังคมเราหรอก มันก็คือปัญหาเรื่องศีลธรรมเป็นวาญาใหญ่นี่เป็นปัญหาระดับศีลธรรมแต่แน่นอนถ้าเราถามความต่อเนื่องมันกต็ต่อเนื่องมาจากคุณธรรมภายในใจของบุคคลมันพร่องมีความคิดไม่ถูกต้องมีความดับบิตที่ไม่ถูกต้องมีความเห็นที่ไม่ถูกต้องมันก็ลากยืยอ้อ ยาวนานออกไปก็กลายเป็นปัญหาอย่างที่เราได้ยินได้ฟังกันตอนนั้นในเรื่องนี้ข้อความแม้พระนนจะแสดงแต่ว่าที่จริงก็แสดงแบบก็เปียกและค่ะเทพอ่ะตามที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ในพรมชาลยสูตรในสามัญญผลสูตรในอัมพัตสูตร เป็นการแสดงที่สมบูรณ์ในอัฏถะและพยัญชนะจุดหมายความผู้เจ้าทรงแสดงอย่างไรก็อย่างนั้นอัฏถะมันเป็นยังไงก็คืออย่างนั้นเรื่องความทลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปฐุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณ์ในธรรมต้งมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันสวัสดี